อาจารย์คนหนึ่งนะลอยฟังว่าได้พาลูกชายไปเยี่ยมบ้านพระคนชราอาจารย์นี้ไปบ่อยนะอยากให้ลูกได้รู้จักโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสจะได้ไป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 แล้วก็มีจํานวนหนึ่งก็เป็นคนจะเรียกว่าวิกลจริตก็ได้วันหนึ่งก็ไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งจะเดินถื อ, อเก้าอี้นะแบบเก้าอี้ตรงไปที่สวน อาจารย์ก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนแกก็บอกว่าจะไปปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เห็นอยู่ในสวนเนี่ยฉันปลูกทั้งนั้นและนี่ฉันก็จะกําลังจะแบกกระถางต้นไม้นี้ไปปลูกอีกอาจารย์คนนั้นก็อยากจะสร้างสัมพันธ์กับคนลุงคนนั้น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 แต่คุณลุงนี่ก็กลับแบบต้นเอก้าอี้เฉยเลยนะคือคุณลุงเนี่ยนะแกรั่วคนอื่นเนี่ยบ้าแกไม่แกแกไม่รั่ตัวเองเนี่ยบ้านะแกรั่วคนอื่นเนี่ยมีอาการปกผิดปกติแต่แกกลับไม่รู้ตัวเองว่าเนี่ยก็ผิดปกติเหมือนกันเองคนอื่น แบกเก้านะก็รู้ว่าอันเนี้ยบ้าแล้วนะมันไม่ใช่ต้นไม้นะมันตัวอแต่ตัวเองนี่กลับไม่รู้ว่าทำอย่างเดียวกันคนบ้านี่เขาก็สามารถจะรู้แยกแยะได้นะว่าใครบ้าใครไม่บ้าเนี่ยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่ะบ้า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 ปฏิเสว่าตัวเองไม่ได้เมาแต่บางทีสามารถจะบอกสามารถจะชี้ได้ว่าใครเมาแต่กับมองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเมาไอการมองเห็นตัวเองการรู้จักตัวเองนี่นะจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครๆจะทําได้นะไม่ใช่ใครๆทุกคนจะทําได้ ธรรมชาติคนเราเนี่ยชอบสง่งจิตออกนอกแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นนะแยกแยะนะรู้ในเรื่องที่อยู่นอกตัวเรามากมายแต่ว่าไอการที่จะมาเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากการเห็นโลกภายนอกเนี่ย นะเราใช้ตานะเราใช้หูเราใช้จมูกนะเรามีอายะตนนะต้อง5อย่างในการที่จะรับรู้โลกภายนอกแม้ว่าบางอย่างจะเสียไปนะแต่ว่าอีก 3-4 สอย่างที่เหลือเนี่ยมันก็สามารถจะทำงานทดแทนได้คนตาบอดเนี่ย มีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าแม้ว่าจะไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยถามว่าเขาเดินถูกทางได้ยังไงบางคนไม่ใช่แค่เดินนะขี่จักรยานก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะ เขาตาบอตั้งแต่13เดือนก็คือปีเศษแล้วก็ตาบอสนิทแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สบายเลยเขาทำยังไงเขาใช้วิธีกระดอกลิ้นกระดอกลิ้นเร็วมากเลยรัวทำไมถึงกระดอกลิ้นนะเพราะว่าม่นทำให้เขาเนี่ย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 แสดงหูนี่ของเขาต้องไวมากหู่ขต้องละเอียดมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาเวลาเขาฟังเสียงที่สะท้อนจากการกระดอนลิ้นเนี่ยเขาจะเห็นเป็นภาพ เ, เห็นเป็นภาพอยู่ในในใจเขานะสมองเขานี่ก็เรียกว่ามันสามารถจะพัฒนาหรือว่ า, าปรับเปลี่ยน จนกระทั่งเขาสามารถจะเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาในรัศมี2เมตร5เมตร50เมตรได้บางคนยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ใช้ไม่ต้องกระดดลิ้นเลยแต่อาศัยเสียงธรรมชาติที่มันสะทอ้อนเข้าหูเขาเขาได้ยินเสียงที่มันสะท้อนจากรถที่อยู่ข้างหน้าเสาหรือว่าแม้กระทั่งเครื่อง ก, กีดขวางสามารถจะบอกได้ว่ามัน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 อย่างที่บอกไว้แล้ว่วาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะถนัดในเรื่องการรับรู้โลกภายนอกมากกว่ารู้เรื่องจิตใจของตัวเอง <c oughs> เรามีห้าอายตนะในการรับรู้โลกภายนอกแต่ว่ามีอายตนะเดียวในการรับรู้เรื่องจิตใจหรือเรื่องโลกภายในนก็คือจิตนั่นเองคือสติแต่ว่า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 ยึดติดผูกพันสําคัญมั่นหมายนะว่ามันเที่ยงหรือว่ามันเป็นสุขเป็นตัวตนเพราะคนเราเนี่ยจะทุกข์ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะไปยึดมันสําคัญหมายว่าสิ่งต่างๆโนะดยเพราะที่มีอยู่ในการครอบครองของเราเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องสุขนะมันต้อง เป็นตัวเราของเราเป็นอื่นไปไม่ได้วิ่ถ้าเราสามารถจะเห็นใจของตัวเองอันนี้เห็นด้วยตาเนื้อนะอนนเรียกว่าตาในไอ้ตาเนื้อนี่มันอาจจะพิกลพิ ก, การได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะ ประคับประคองตัวให้อยู่รอดได้โดยใช้หูนะโดยใช้สมองแต่ถ้าตาในนะคือสตินี่เกิดพิการหรือว่าเด้งขึ้นมามันแย่นะบางทีมันไม่ใช่ว่าจะเด้งถาวรนะเพียงแค่ทำให้มันเสื่อมสภาพชั่วขณะเช่นกินเหล้านะกินเหล้านี่ก็ทำให้เป็นการประทุษร้ายสติ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 เกิดเมาขึ้นมาก็เลยลงจากรถอาจเจียนอาจเจียนลงคูอาจเจียนลงตรงคูข้างถนนปรากฏว่าสร้อยคอที่แขวนสมเด็จ่ัลลังมันตกลงไปในคูในคูในคลองข้างถนน เพื่อนก็ห้ามนะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ฟังเจ้าจัวก็โดลงไปนะเพื่อจะเอาสมเด็จวัละคังนั้นปอกาะว่าไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเมาอยู่แล้วเนะี่ยพอลงไปแล้วก็ก็คงจะไม่รู้หลงทิศหลงทา ง, างไงไม่ทราบ ก็กลายเปมสมเด็จว่าละคังก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็พอสมเด็จว่าระคังใ น, นหลายที่ทำให้เขาตายเพราความเสียดายนี่ถ้าเกิดไม่เมาเนี่ยก็คงไม่ตายนะอาจจะมีสติยับยับยั้งชั่งใจว่าโดดลงไปนี้ไม่ได้หรือถ้าไม่เมาก็คงจะไม่ไม่อาเจียนจนกระทั่งทําให้อ่าสร้อยคอนี้ตกลงไปนะ ในครองคนเรานี่ถ้าเราประทุษไลด์สติแล้วนี่อันตรายมากสามารถจะทำ้ายตัวเองก็ได้แล้วก็ทำลายผู้อื่นก็ได้งั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเราจะรู้ทันเราจะรู้จักตัวเอง เวลาโกรธเราก็รู้ว่ากําลังโกรธอยูนะ่เวลาเศร้าเราก็รู้ว่ากำลังเศร้านะแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะรู้จากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้คนเรานี้ถ้าหากเรารู้จักตัวเองนะด้วยตาในเราก็สามารถสอนตัวเองได้ด้วย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 นะไปหาคนเหล่านั้นหนึ่งต่อนหนึ่งนะไปทำไมไปขอบุหรีสูบนะเด็กอายุประมาณสักเก้าหรือสิบขวบนี่แหละนะไปขอบุหรีสูบแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพูด ค, คล้ายๆกันว่าสูบทำไมนะมันเป็นอันตราย สูบแล้วเป็นมะเร็งนะนะสูบแล้วมันเปลืองเงินนะนะทุกคนจะพูดคล้ายกันนะสูบไม่ดีนะเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็ฟังนะเสร็จแล้วเด็กก็จะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆให้กับผู้ใหญ่นะที่กาลังสอนเขาว่าสูบบุหรี่ไม่ดี ให้กระดาษเสร็จเด็กก็รีบไปเลยนะพอผู้ใหญ่พลี่กระดาษก็บอก ก, ก็มีลายมือเด็กเขียนบอกว่าพี่ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแล้วทาไมพี่สูบล่ะครับหรือว่าทำไมพี่สูบล่ะครับนะีกล้องก็จะจ้องดูหน้าถ่ายที่หน้าของคนเหล่านั้นนะก็อึ้งไปเลยนะอึ้งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เด็กพูดนี่มัน มันจริงนะแล้วก็มั น, ม, นมันแทงใจนะของคนเหล่านั้นและที่น่าสนใจคือว่าหลายคนเนี่ยพอเจอกระดาษแบบนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะหยุดบุหรี่ได้คือรู้สึกลอายใจว่า้เราสอนเด็กนะแต่ทำไมเราสอนตัวเองไม่ได้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 บางเอิญวัวตัวหนึ่งตายวัวตายเนี่ยแทนที่จะจั ด, จดการศพนะเปล่านะคนที่เป็นลูกเนี่ยนะก็ยังทำเหมือนเดิมกมคือว่าเอาย้าเอาฟางมาให้วัวกินวัวมันนอนตายนะก็เอาย้าเนี่ยยัดใส่ปากมันพ่อเห็นก็เลยบอกว่ า, วา ไอ้บัวมันตายแล้วเนี่ยเห็นอยู่อย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะกินได้มันจะกินหญ้าได้ไงไอ้โงนะ่มันไม่มีวันฟื้นขึ้นมาหรอกมันตายแล้วจะให้มันกินหญ้าเอายาให้มันกินทําไมลูกชายก็เลยได้ช่องเลยนะบอกกับพ่อว่าพ่อไอ้บัวเนี่ยมันยังมีตัวอยู่ครบทั่วเลยนะ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 อันนีนะ้ก็เป็นตัวอย่างนะสอนคนได้สอนก็ถือได้แต่สอนตัวเองไม่ได้ก็เคยมีการทดลองอันนึงนะซึ่งน่าสนใจมากมีชื่อนะที่อเมริกาานักศึกษามันนั่งอยู่รวมกันในห้องประชุมสักส0มสคนเสร็จแล้ว15านาทีก็ปล่อยออกปล่อยไปอีกตึกหนึ่งเพื่อไปพูด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 นักศึกษาที่ไปพูดเรื่องจิตอาสานี่นะส่วนใหญ่นะไม่สนใจคนที่นอนอยู่นะลืมถนนลเลยคนที่นอนอยู่จริงๆเนี่ยเาเป็นเป็นนักแสดงนะแต่เขาต้องการที่จะมาดูว่านักศึกษาเนี่ยนะเวลาไปพูดว่าจะไปพูดไปเวลาจะไปพูดเรื่องจิตอาสาเนี่ยจริงๆเนี่ย ได้ทำอย่างที่พูดหรือเปล่านะคืออันนี้ก็เหมือนกันนะคือหลายคนก็คิดจะไปสอนคนอื่นว่าจิตอาสาดียนะังไงแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มีคนทุกคนยากอยู่ข้างถนนนี่กับไม่สนใจส่วนนี้เขาก็ให้เงื่อนไขด้วยนะว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ทันเวลานะนักศึกษาก็เลย รีบจำใหญ่เลยอะไรเกิดขึ้นข้างทางทําใหไม่สนใจแล้วอันนี้เรียกไม่มีสติได้นะเพราะว่าใจมันรีบใจมันพุ่งไปข้างหน้าคนเรานี่ถ้าถ้าไม่มีสติบางทีก็การมีคนโหดร้ายใจแข็งกระด้างได้นะคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอยู่นะอยู่ข้างทางก็เมินเฉยไม่ช่วยเขา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 เพราะว่าการสอนคนอื่นเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดนะเวลาเพื่อนอกหักนะเราก็สามารถจะแนะนำเพื่อนได้ว่านะอย่าไปเสียใจเลยนะถือว่าเขาไม่ใช่คู่ของเรานะน่าจะมองแง่ดีนะว่าเออมันจะทำให้เราได้ มีสละได้เจอมีโอกาสจะได้เจอคู่แท้ของเราเนะี่ยเราก็แนะนำเข้าไปหรือเวลาเพื่อนทำเงินหายโทรศัพท์หายเราก็แนะนำเพื่อนใน ด, ดีเลวนะว่าโอ้เงินทองเป็นของนอกกายนะหายไปแล้วหาใหม่ได้โทรศัพท์วัตถุสิ่งของนี่ของนอกกายแต่พอเวลาเราเจอเองบ้างนะเช่นแฟนทิ้งเนี่ยนะ โวยฟูมไฟล์นะคร่ำครวญไอ้ที่แนะนําเพื่อนนี่เอามาแชรกับตัวเองไม่ได้เลยเงินหา ย, หายเวลาเงินหายเสียเองเนี่ยเสียใจเสียดายนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวักเป็นเวนไอ้ที่เคยสอนเพื่อนนี่เอามาสอนตัวเองไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะไม่เห็นตัวเองว่าเนี่ยกําลัง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 ทำรรมาที่เราได้อ่านจากหนังสือเนี่ยจะมาใช้กับตัวเองก็ใช้ไม่ได้เลยนะมันมืดแปดด้านไปหมดนะคนเก่งๆ เ, เนี่ยนะเวลาตัวเองไม่เป็นอะไรก็สามารถแนะนำเพื่อนได้มากมายแนะนำเพื่อนหาทางออกไห้เพื่อนได้แต่พอตัวเองเจอเข้าเสเองนี่เขาเรียกว่าอาการมืดแปดด้านนะมองอะไรไม่ออกเลย มันเคยมีนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเดินไปที่สะพานข่าแม่น้ำตอนนั้นก็เป็นเวลาคำล่ำแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าจะจะจะโดดลงมาจากสะพานก็ไปห้ามเอาไว้คุยไปคุยมาก็ได้ก็รู้ว่าผู้หญิงนี่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาอกหัก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 แล้วเข้าขอบอกขอบใจผู้ชายคนนี้ที่ทําให้เ้าได้สติเสร็จแล้วก็เขาก็เดินกลับบ้านไปผู้ชายคนนั้นก็อยู่บนสะพานสักพักเสร็จแล้วเขาก็เดินเขาก็ขึ้นไต่ราวสะพานแล้วก็โดดลงจากสะพานฆ่าตัวตายพอเขาล้มละลายธุรกิจล้มละลาย มือแปดด้านหาทางออกไม่เจอนั่นมันก็น่าชิดนะแนะนำคนไม่ให้ค่าตัวตายได้แต่ว่าแนะนำตัวเองไม่ได้อย่างเดียวกันนี่ถ้าเราคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะไม่สามารถเห็นหรือรู้เท่าทันจิตใจของตัว ในสิ่งที่เราพูดไปกับใครก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์สำับเราเลยคนเราเนี่ยเรื่องการสอนตัวเองนี่เป็นเรื่องสําคัญมากอันถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ยากที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้แต่สอนตัวเองได้ก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองนี่ไม่ใช่รู้หน้าตาของตัวเองอันนั้นไม่สําคัญเท่ากับการที่เรารู้ทัน ความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นมาในใจคนที่อยู่ในความทุกข์นี่บางทีไม่เห็นความทุกขนะ์นะมเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ําหนอนไม่เห็นอาจจมคนที่เป็นทุกข์เนี่ยคนที่กําลังทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นความทุกข์จนกว่าเขาจะมีสติเห็นด้วยเหตุนี้เนี่ยอริยสัจสี่ ข้อแรกเลยเนี่ยคือทุกเนี่ยพรูเจ้าจึงบอกว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้คําว่ารู้หรือกําหนดรู้เนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าเมื่อเป็นทุกขหรือเมื่อทุกใจเนี่ยนะก็สามารถจะรู้ว่ากําลังทุกอยู่เวลาโกรธก็รู้ตัวเองโกรธอยู่เวลาเศร้าก็รู้ตัวเองเศร้าคนโกรธนี่บางทีไม่รู้ตัวเองโกรธนะ ใจมันส่งพุ่งออกนอกคิดแต่จะไปด่าไปทําร้ายเขาไม่เห็นตัวเองเป็นการที่เราในยามใดก็ตามที่เราทุกข์เราเศร้าเราโกรธแล้วเราเห็นความเศร้าเห็นความโกรธหรือว่ากำลังเศร้ากําลังโกรธเนี่ยอันนี้สำคัญมากเป็นจุดเบื้องต้นเลยของการที่จะ พาจิตออกจากความทุกข์ได้การรู้ทุกข์ข้อแรกคือรู้ว่าตัวเองทุกข์ในยามที่ความทุกข์ครอบนำและหลังจากนั้นก็จะนําไปสู่การรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นรู้เรื่องขัน5ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์แต่เป็นขัน5้าที่ทุกข์นะเป็นทุกข์ที่เกิดขันหเกิดกับรูป ก, กับนามไม่ใช่เกิดกับกับตัวเรา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 ไม่ว่าจะมาในรูปของความโกรธความเศร้าเสียใจความเบื่อก็คือเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนั่นเองเอาละคำนี้ก็พูดกัเท่นนีนะเอากลับคับ